พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้ว่าใจเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะสาคัญเท่ากับใจเพราะว่าใจเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป และใจเป็นผู้ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงที่แถวที่ถาวรและใจนี่แหละที่เป็นของพวกเราอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเรา เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเราจึงควรให้ความสำคัญกับใจเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปหวงไม่ต้องไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นอะไรก็ตาม เพสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาไม่ใช่ของเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปเมื่อไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาเป็น ตามความอยากได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นไม่อยากให้เขาจากเราไปเวลาเขาจากไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ใจของพวกเรานั้นเป็นใจที่ถูกความมืดบอดครอบงำไม่เห็นความจริงอันนี้ไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปติดนั้น เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอดพอเราไม่ได้ตามความอยากของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแใจของเรานี่กลับเป็นตรงกันข้ามกันใจของเรานี่เป็นของถาวร ไม่ได้เสือ่อมไม่ได้หมดไปเหมือนกับร่างกายและสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของเราเพราะเราสามารถสั่งใจของเราได้ถ้าเรารู้จักวิธีเราจะสามารถสั่งใจของเราควบคุมใจของเราให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เมื่อเราสั่งได้เราก็จะ ได้ความสุขได้ความสุขที่แท้จริงและความสุขที่ถาวร น, นี่แหละคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาจึง พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้ใดสามารถรักษาใจควบคุมใจได้ผู้นั้นก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดจึงพุ่งไปที่ใจนี้เป็นหลัก รงไปสอนให้ใจรู้จักการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปหลงยึดไปหลงติดอยู่เพราะความหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขแต่มองเพียงแต่ความสุขที่ได้เพียงเล็กๆน้อยๆแต่มองไม่เห็นความทุกข์ที่ ตามมาในภายหลังสิ่งต่างๆที่พวกเราเห็นเราอยากได้กันเพราะเราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงเกตรลโพทธทภพไม่มีใครในโลกนี้ไม่อยากได้กันไม่ต้องมีใครสอนเป็นของที่ ติดมากับใจเพราะเคยติดกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะมาเป็นเวลาอันยาวนานพอได้เห็นเท่านั้นก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขซึ่งก็จะมีความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเลียวเดียว เป็นความสุขเหมือนกับควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปก็ต้องหามาเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาใหม่ๆก็ดี อ, อกดีใจมีความสุขใจแล้วสักระยะหนึ่งความสุขใจนั้นก็หายไปก็ต้องหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกิบนกผดทะพะใหม่มาอีกเพื่อที่จะได้ความสุขอีกแล้วพอได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาก็ต้องเกิดความผูกพันเกิดความรักเกิดความหวงก็ต้องมากังวลกลัวว่าสิ่งต่างๆที่หามาได้จะจากไป จะเสื่อมไปจะหมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาจะอยู่กับเรานานไม่นานเราก็ไม่รู้เราจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ที่แน่นอนก็คือเขาจะต้องกับเราจะต้องจากกันไม่ช้าก็เร็ว ล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปกาหนดว่าจะจากกันในวันนั้นหรือในวันนี้จึงทาให้เกิดความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาภายในใจความวิตกกังวลนี้ก็คือความทุกข์ใจนี้เองที่ได้รับจากการไปติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ ติดกับลาบยศสรรเสิญติดกับรูปเสียงกลิ่นรสโพสตพะติดกับร่างกายของเราและของผู้อื่นของคนที่เรารักนี่เป็นใจที่ถูกความหลงครอบงามอยู่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นสิ่งที่เป็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราจึงต้องผิดหวังอยู่ตลอดเวลาได้อะไรมาก็จะได้ความสุขชั่วคราวแล้วก็จะได้รับความทุกข์ในรูปแบบต่างๆ ความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความทุกข์ที่เกิดจากความหวงความทุกข์ที่เกิดจากความวิตกกังวลความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวกลัวว่าจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปกลัวว่าจะต้องสูญเสียร่างกายของตนไปนี่แหละเป็นความทุกข์ที่ จิตทั่วไปนี้จะมองไม่เห็นกันเพราะไม่มีใครสอนให้มองกันต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเห็นว่าใจของแต่ละบุคคล น, นี่แหละ เป็นของแท้ของจริงเป็นความสุขแท้เป็นของถาวรเป็นของเราอย่างแท้จริงไม่มีใครที่จะมาเอาใจของเราไปจากเราได้ไม่มีใครที่จะเอาความสุขของใจไปได้ถ้ารู้จักสร้างความสุขของใจขึ้นมา รู้จักวิธีรักษาความสุขของใจใจก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งพาอาศัยก็ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะก็ไม่เดือดร้อน พอใจมีที่พึ่งในตนมีความสุขในตนมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมัวเมายังหลงยึดติดกับใยรักอยู่ยังยึดติดกับสิ่งที่เป็นใจรักอยู่ ให้ปล่อยวางให้ละเสียเพื่อที่จะได้มาพบกับของจริงของแท้มาพบกับใจมาอยู่กับใจที่ถาวรมาอยู่กับใจที่เป็นของตนมาอยู่กับใจที่จะให้ความสุขกับตนไปตลอดการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้ คือให้ปล่อยทุกอย่างเพื่อรักษาใจถ้าเวลาถ้าไม่ปล่อยแล้วจะสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าปล่อยแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ให้กับใจวิธีที่จะปล่อยพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนสามขั้นด้วยกันก็คือทานศีลภาวนา ทำทานก็เพื่อให้ปล่อยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆอย่าไปอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาให้ความสุขเพราะมันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพึ่งเงินทองแล้วก็จะต้องมีความวิตกกังวลกับเรื่องเงินทองกับการหาเงินทองกับการรักษาเงินทอง กับการสูญเสียเงินทองไปเป็นความทุกข์ตลอดถ้าไม่พึ่งเงินทองได้ก็จะสบายไปเปราะหนึ่งไม่พึ่งยศได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ก็จะสบายไปอีกเปราะหนึ่งไม่ต้องเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมียศอะไรต่างๆ มีก็เท่านั้นมีแล้วเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปมีเจริญก็มีเสื่อมได้เวลาเจริญก็ดีอกดีใจเวลาเสื่อมก็จะเสียอกเสียใจสันเสริญก็เช่นเดียวกันสันเสริญก็ไม่แน่นอนบางทีก็เสื่อมไปหายไปแทนที่สรเสริญก็กลายเป็นกัลหานินทา เวลาสูญเสียสรรเสริญแล้วต้องมาพบกับคำนินทาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสผธพพที่เสพเพื่อให้ความสุขก็เป็นเช่นเดียวกันมีเจริญได้มีเสื่อมได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพของของแฟนของคู่รัก ของคู่กรองเวลาได้มาก็ดีอกดีใจเวลาพาดภาคจากกันก็เสียอกเสียใจเพราะเป็นอนิจจังนั่นเองไม่ถาวอนต้องจากกันแน่นอนเองแต่ว่าจะจากกันเมื่อไหร่ท่านั้นเองและเวลาที่จากก็จะเป็นเวลาที่เศร้าโศกเสียใจ เวลาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความวิตกกังวลห่วงใยต่อกันและกันกินไม่ได้นอนไม่หลับวุ่นวายไปหมดนี่หรือคือความสุขนี่แหละคือความทุกข์ความสุขก็ได้เป็นเวลาระยะอันสั้นๆท่า น, น, นั้นเองยิงขอให้เรา พิจารณามองให้เห็นว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ความสรรเสิเยนยอรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพที่เราเสกกันนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเหมือนยาเสพติดพวกเราคงรู้จักโทษของยาเสพติดกัน เพราะเราเห็นได้อย่างชาัดเจนระหว่างคนที่เสพ ย, ยาเสพติดกับคนที่ไม่เสพ ย, ยาเสพติดว่าใครจะดีกว่ากันคนที่ติดยาเสพติดนี้จะมีความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆเวลาที่ได้เสพแต่จะมีความทุกข์เวลาไม่ได้เสพมีความทุกข์เวลาที่จะต้องหายาเสพติดมาเสพ คนที่ไม่เส็บนี้ไม่เดือดร้อนไม่มียาเสพติดก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจมีก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจมีก็ไม่เสบไม่มีก็ไม่เสบอันใดของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่พวกเราเส็บกันยึดติดกันหากันมาถ้บเป็นแทบตายเพื่อที่จะให้ความสุขกับพวกเรานี้ ออดดกเ็เป็นเหมือนอยาเสพติดดีๆนี่ลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกล็่นลดโพธิภพเป็นสิ่งเป็นเหมือนยาเสพติดไม่เสพก็ได้ไม่ตายเช่นพระพุทธเจ้าพระอาลหานตาสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้เสพราบยศสรรเสริญไม่ได้เสพรูปเสียงกล็่นรดโพธภิภพท่านก็อยู่ได้ และท่านกลับมิอยู่แบบมีความสุขมากกว่าพวกเราที่ยังเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลทัพอะยังเสบราบยศสารเสริญกันอยู่เพราะว่าพวกเราก็เป็นเหมือนพวกที่ติดยาเสพติดนั่นเองส่วนพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ก็เป็นพวกที่ไม่ติดยาเสพติดนี่แหละคือ เรื่องของใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังไม่มีความสุขก็เพราะว่าเราไปติดกับความทุกข์ในเรื่องของลาบยศสรรเสญในเรื่องของรูปเสียงกิ่นรสผลสะพานนั่นเองเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมา พระพุทธเจ้าก็เคยมีราบยศสารเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะระดับของพระราชามหากษัตริย์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินมีปราศาสตร์สามฤดูมีบริษัทบริวารที่คอยรับใช้คอยให้ความสุขในทุกรูปแบบ แต่พระองค์กลับเห็นว่ามันเป็นความทุกข์พราะทรงเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเหล่านี้และเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายผู้ที่จะเป็นเครื่องมือในการเสพ ร, ราบยศสารเสริญเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผุดถภากระองค์ทรงเห็นร่างกายว่าจะต้องแก่ เวลาแก่ก็จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้อย่างยากลำบากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็แทบจะหาไม่ได้เลยและเวลาตายก็จบความสุขต่างๆที่จะได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดร้าพนี้ก็จะหมดไป ใจก็จะมีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลียวมีแต่ความหิวความอยากความทรมานใจพระองค์หลังจากที่ทรงได้เห็นคนแก่คนชราเห็นคนตายและเห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาว่าจะต้องสลัดพระองค์ออกจากการติด กับลาบยศสารเสริญติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพุ่งไปสู่ความสุขทางใจพุ่งไปสู่ความสุขที่ถาวรความสุขที่เป็นของพระองค์อย่างแท้จริงเป็นความสุขที่จะไม่มีวันทัดทากจากพระองค์ไปได้พระองค์จึง ก้าที่จะสละราชสมบัติก้าที่จะสละการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผทพพะการเสเพราบยศสรรเสริญแล้วก็ไปบำเพ็ญเจริญจิตตภาวนาไปรักษาสี่งให้บริสุทธิ์เจริญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขใจที่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่พระองค์เคยได้รับจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภเวลาออกจากความสงบนี้พระองค์ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้หวนกลับไปหาความสุข ทางลาบยศรสเสริญทางรูปเสียงกรรยลิ่นรสโผฏฐะเพราะเป็นความทุกนั่นเองเพราะไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวเวลาหมดไปก็ทําให้เกิดความอยากที่จะเสพอีกเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่า ไม่สามารถที่จะควบคุมความสุขเหล่านี้ให้อยู่ไปนานๆได้ให้อยู่กับพระองค์ไปได้ตลอดนี่คือปัญญาที่จะต้องคอยสอนใจเวลาที่ออกจากความสงบแล้วเกิดความอยากขึ้นมาต้องสอนใจว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์อย่าไปอยากเช่นอย่าไปอยากกับร่างกาย อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้ไม่ไม่ให้ร่างกายตายเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราจะรักจะหวงจะแหนขนาดไหนก็ตามเราก็จะไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งที่จะบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอด อยู่แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นอยู่แบบไม่แก่อยู่แบบไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แบบไม่ตายไม่ได้ร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ไปเป็นธรรมดาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาและจะต้องตายไปเป็นธรรมดาอย่าไปยึดติดกับร่างกายอย่าไปอาศัยร่างกายให้ความสุข ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้ก็ได้เพราะความสุขที่ได้จากร่างกายนี้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นโทษของการที่จะประหยัดให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าทําให้ใจต้องทุกข์ทรมานใจก็จะต้อง หยุดต้องยอมรับความจริงหยุดหยุดความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายพอหยุดได้แล้วใจก็จะสงบใจก็จะสบายเวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการปล่อย <cuales S 1> <ând> ร่างกายปล่อยความเจ็บความรู้สึกเจ็บของร่างกายอย่าไปบังคับให้เขาหายไปอย่าไปบังคับไม่ให้เขาเป็นตามที่เราไม่ต้องการให้เขาเป็นบังคับเขาไม่ได้ปล่อยเขาไปแล้วใจจะไม่เครียดใจจะเย็นจะสบายถ้าไม่ปล่อยแล้วใจจะเครียดใจจะทุกข์ เช่นเวลานั่งภาวนาแล้วเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเกิดความเจ็บก็ให้คิดว่าเป็นเหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปได้ทันทีทันใดถ้ามียารักษาก็อาจจะทำให้หายได้แต่ก็ต้องใช้เวลาให้ยาได้ออกฤทธิ์เสียก่อน ถ้าไม่มียาก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายไปเองหรือมันไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปถ้าใจไม่มีความอยากให้มันหายแล้วใจจะไม่ทุกข์จะไม่ทรมานจะไม่เดือดร้อนจะอยู่กับความทุกข์ของร่างกายไปได้อย่างสบายเหมือนกับตอนที่ร่างกาย ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยการนั่งสมาธิจึงจำเป็นต้องนั่งให้เจ็บเพื่อที่เราจะได้ฝึกฝนใจสอนใจให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะได้มาปล่อยวางความเจ็บของร่างกายถ้าเราไม่พบกับความเจ็บของร่างกายเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะปล่อยวางความเจ็บได้หรือไม่ นี่ก็คือการปล่อยวางความเจ็บเราก็ต้องฝึกปล่อยไปเรื่อยๆตามกำลังของเราใหม่ๆอาจจะปล่อยได้ชั่วคราวปล่อยด้วยอำนาจของสติก็คือการใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธเวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บที่ร่างกายก็ไม่ลุก จะใช้การบริกรรมพุทโธเป็นวิธีต่อสู้กับความทุกข์ของร่างกายความจริงความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่ใช่ข้าศึกศัตรูของใจข้าศึกศัตรูของใจก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของใจเองที่อยากจะให้ความทุกข์ของร่างกายหายไปวิธีที่จะหยุดความอยาก ให้ความทุกข์ของร่างกายหายไปก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งนี้เองการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ไม่ให้ใจมีโอกาสได้ไปคิดอยากให้ความทุกข์ของร่างกายหายไปถ้าเราทำได้บริกรรมพุทโธได้อย่างต่อเนื่องจนความอยากไม่สามารถที่จะทำงานได้ ความทุกข์ใจที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายก็จะหายไปพอความทุกข์ของใจหายไปแล้วใจก็อยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนเลยอันนี้ก็เป็นการสู้กับทุกขเวทนาของทางร่างกายด้วยการใช้สติ ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเวลาเกิดความเจ็บขึ้นมาขณะที่นั่งสมาธิอยู่หรือเวลาไหนก็ได้ที่เกิดความเจ็บขึ้นมา <ff id. S 1> เราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปเราไม่ได้ใช้พุโทโธเพื่อดับความเจ็บของร่างกายแต่เราใช้พุโทโธเพื่อดับความเจ็บของใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป พราะเวลาเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปก็ทํางานไม่ได้พอความอยากทํางานไม่ได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีใจก็จะนิ่งสงบเป็นอุเบกขาเป็นสุขใจก็จะอยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้อย่างสบายใจก็เปรียบเหมือนกับเป็นก้อนน้ําแข็ง ที่อยู่ในเตาไฟดีๆนี่ไฟจะไหม้ก็ปล่อยไฟไหม้ไฟแต่น้ําแข็งก็เป็นน้ําแข็งอยู่เหมือนเดิมน้ําแข็งก็เย็นสบายร่างกายก็ร้อนเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้อุณหภูมิขึ้นร่างกายร้อนแต่ถ้าใจมีสติควบคุมความอยากไม่ให้ความเจ็บหายไปได้ ใจก็จะเย็นเหมือนน้ำแข็งอันนี้เป็นการใช้สติแต่เป็นการที่จะต้องใช้ไปทุกครั้งเวลาที่เกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาใจจะร้อนขึ้นมาทันทีก็ต้องใช้สติไปทุกครั้งถ้าอยากจะทำให้ใจกลับมาเย็นถ้าอยากจะรักษาใจให้เย็นอย่างถาวร ไม่ว่าจะมีทุกข์ของร่างกายหรือไม่มีทุกข์ของร่างกายเกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางเวทนาของร่างกายไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเวลาสุขก็อย่าไปอยากให้เขาสุขไปนา น, านเวลาทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขาหายไป เวลาเขาไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากจะสุขขึ้นมาอย่างนี้ต้องสอนใจด้วยปัญญาว่าถ้าเกิดความอยากแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ความร้อนใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของร่างกายถ้าเราสอนใจได้แล้วใจเชื่อฟังใจก็จะเฉยกับเวทนา ไม่ว่าจะสุขหรือทุกขเวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกขเวทนาใจจะเฉยๆอยู่ให้ความเสมอภาคกับเวทนาทั้งสามคือรับรู้สักแต่วรู้เพียงอย่างเดียวไม่รักไม่ชังไม่หลงรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่เป็นอันตรายต่อใจใจอยู่กับเขาได้ แต่สิ่งที่เป็นอันตรายกับใจก็คือความอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้แหละที่เป็นพิษเป็นภัยพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความร้อนใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญาปล่อยวางว่าไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เวทนาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตา อนิจจังคือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาสุขแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์ทุกข์แล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์วนกันไปเวียนกันมาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องมีเหตุปัจจัยทําให้เขาทุกข์เขาก็ทุกข์ขึ้นมามีเหตุปัจจัยทําให้เขาสุขเขาก็สุขขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยทําให้เขาไม่สุขไม่ทุกข์เขาก็ไม่สุขไม่ทุกข์ เราจะไปจัดการไปบังคับให้เขาสุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเราอยากให้เขาสุขเพียงอย่างเดียวเราก็จะทุกข์นี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาต้องให้เห็นทั้งใจรักต้องเห็นทั้งอริยสัจสี่เห็นใจรักก็เห็นว่าเวทนานี้เป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ก็เห็นว่าความทุกข์เกิด ที่ใจเกิดที่มีความอยากให้เวทนาเป็นเวทนาอย่างนั้นเป็นเวทนาอย่างนี้พอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเพราะต้องเห็นเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันสุขแล้วมันจะให้มันสุขท้าวรก็ไม่ได้ มันทุกข์แล้วจะให้มันดับไปทันทีทันใดก็ไม่ได้ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันถ้าปล่อยแล้วใจจะไม่อยากใจไม่อยากแล้วใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือการเห็นธรรมต้องเห็นอริยสัจสี่เห็นใตรลักษณไตรลักอริยรรสัจสี่นี้เป็นเหมือนกับห่วงสองห่วงติดกันอยู่ ตยรักก็มีทุกขังอริยสัจสี่ก็มีทุกขงัาากกขงเชื่อมกันตรงตัวทุกขังนี่เองอริยาาสัจสี่ก็มีมั้งมั้งก็คือปัญญาปัญญาก็ต้องเห็นปานิจังทุกขงังอนัตตาสรุปแล้วจะว่าอริยสัจสีกับตายรักนี่เป็นอันเดียวกันก็นได้เป็น ส่วนที่ทํางานร่วมกันอริยสัจสี่มีมั้งมั้งก็คือการเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตานั่นเองทุกก็คือการเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากอันนี้ก็อยู่ในอริยสัจนี่นี่คือวิธีปฏิบัติที่จะทําให้เราเห็นธรรมะพอเราเห็นธรรมเราเราก็จะเข้าใจเราก็จะไม่หลง เราก็จะไม่ไปยึดไปติดไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นจารักสิ่งที่เป็นอนิจจังสิ่งที่เป็นอนัตตาถ้ายังต้องเกี่ยวข้องอยู่ก็เกี่ยวด้วยการปล่อยวางด้วยการสักแต่ว่ารู้เท่านั้นรู้ว่าร่างกายตอนนี้เป็นอย่างนี้รู้ว่าร่างกายต่อไปจะต้องแก่ลงไปเรื่อยเรื่อรู้ว่าร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ว่าร่างกายจะต้องตายไป รือว่าเวทนาก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์บ้างถ้ารู้เฉยๆแล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะมีความสุขถ้ามีความอยากแล้วความเย็นความสงบของใจก็จะหายไปนี่คือการสอนใจเพื่อให้ปล่อยวางร่างกาย ของเราที่เรารักเราหวงและร่างกายของผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของญาติสนิทมิตรสายของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของหลานก็เป็นแบบเดียวกันหมดต้องพิจารณาปล่อยวางถ้าไปยึดไปติด แต่อยากให้เขาไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ที่ใจผลิตขึ้นมาเองหยุดการผลิตความทุกข์เพื่อที่ใจจะได้ผลิตความสุขขึ้นมาแทนถ้าใจรู้จักหยุดผลิตความทุกข์แล้วผลิตความสุขขึ้นมาแทนใจก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆไปตลอด ถ้ายังมีความทุกข์กับเรื่องใดก็ต้องก็ต้องใช้ปัญญามาแก้ความทุกข์เรื่องนั้นเช่นถ้าเราไม่ทุกข์กับร่างกายของเราไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายแต่เรายังไปทุกข์กับความอยากเจตการยังอยากร่วมหลับนอนกับคนที่เราเห็นว่าสวยว่างาม อยากจะหาความสุขกับเขาก็ต้องใช้ปัญญามาแก้เช่นเดียวกันเราอยากเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าเขาสวยเขางามเขาน่ารักแล้วเราจะแก้ยังไงเราก็ต้องแก้ให้เห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามไม่น่ารักนั่นเองแล้วจะทำยังไงถึงจะเห็นว่าเขาไม่สวยไม่งามไม่น่ารัก เราก็ต้องมองไปที่ส่วนที่ไม่สวยไม่งามไม่น่ารักนั่นเองเช่นดูภายในของร่างกายของเขาดูอวัยวะต่างๆตับไตไส้พุงเวลาเราเห็นหน้าเขาเราเห็นว่าเขาน่ารักน่าชื่นชมน่าอยากได้มาเป็นของเราแต่พอเรามองเข้าไปที่ตับไตไส้พุงของเขา เราก็จะไม่ไม่อยากจะได้เขาเห็นแล้วก็ขยะขยงนี่คือเรื่องของวิธีแก้วความอยากในการความอยากที่จะเสพกามความอยากที่จะหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของบุคคลที่เราไปหลงรักไปข้างใคร เหมกับเด็กๆหนุ่มสาวที่ไปหลงไหลคลั้ายกับดาราภาพยนตร์ดารานักร้องต่างๆเพราะเขเห็นแต่หน้าตาของเขาเขาเห็นแต่ส่วนที่สวยที่งามถ้าเขามองเห็นในส่วนที่ไม่สวยไม่งามของดาราภาพยนตร์ความาคลั่งคล้ความหลงไหลนี้ก็จะหายไปนี่ก็เรียกว่าเป็นการเจริญอสุภะ คือการพิจารณาดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายถ้าเราอยากจะกาจัดความอยากในกามความอยากในกามนี้ก็เป็นตัวที่จะทําให้ใจทุกข์ทาให้ใจวุ่นวายทําให้ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับหงุดหงิดนำคานใจแต่พอ ใช้ปัญญาสอนใจให้มองไปในส่วนที่ไม่สวยไม่งามไปมองในส่วนที่น่าเกลียดไม่น่ารักไม่น่าชมใจก็จะหายจากความอยากเกิดกามได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องใช้อสุภะมาแก่อสุภะนี่เหมือนกับยาทุกครั้งที่เรา ไม่สบายเราก็ต้องรับประทานยาพอรับประทานยาแล้วโครคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปโรคของกามตัณหาก็เช่นเดียวกันต้องใช้อสุภะเป็นยารักษาเนี่นก่อนที่เราจะมีโรคเกิดขึ้นมาเราต้องเตรียมยาไว้ก่อนเพราะถ้าเราไม่เตรียมยาไว้ก่อนเวลาเกิดกามราคะขึ้นมาเราจะ ไม่มีสติสตังที่จะไปคว้าหายามารักษาเราจึงต้องเจริญอสุภะไปเรื่อยๆมองในส่วนที่ไม่สวยไม่งามของร่างกายไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่เราคิดถึงคนที่เรารักเราชอบเราต้องนึกถึงส่วนที่ไม่น่ารักส่วนที่ไม่น่าดูส่วนที่น่าเกลียดดูเพื่อจะได้ดับ กามมลาคะดับกามอารมณ์ได้นี่ก็เป็นวิธีแก้ความทุกข์ใจที่เกิดจากมีกามอารมณ์มีกามราคะต้องใช้อสุภะต้องดูอสุภะของรูปที่เราหลงไหลข้างใครดูของบุคคลที่เราหลงไหลข้างใครรักเราชอบไม่ใช่ดูของเราเพราะเราไม่ได้หลงไหลข้างใครกับร่างกายของเรา เราหลงไหลเราลักเราชอบกับร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องดูความไม่สวยไม่งามของคนนั้นอย่าไปดูแต่ความสวยงามเพียงด้านเดียวถ้าเราดูความไม่สวยงามของเราก็เพื่อที่จะแก้ความหลงไหลในลักความสวยงามของเราถ้าเราหลงรูปของเราว่าหน้าตาเราหล่อเราหน้าตาเราสวยงาม เราก็ควรที่จะมองส่วนที่ไม่สวยงามบ้างเพื่อที่จะได้ไม่ลหลงไหลว่าเราสวยว่าเรางามเราก็มีส่วนที่ไม่สวยไม่งามมีส่วนที่น่าเกลียดเหมือนกันไม่น่าดูเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาว่าอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ร่างกายของคนอื่นก็ต้องไปแก้ที่ตรงที่คนอื่น ถ้าอยู่ที่ร่างกายของเราก็ต้องมาแก้ที่ร่างกายของเราการพิจารณาร่างกายนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือการแยกแยะอาการต่างๆของร่างกายที่มีอยู่สามสิบสองอาการนี้แยกออกมาให้มันเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นกองกองไปเพื่อจะได้ทำลายภาพของตัวตนเพื่อจะได้ทำลายความคิดที่ว่า ร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราถ้าเราผมแยกออกมาก่องไว้เอาขนแยกออกมากรองไว้เอาหนังเอาเนื้อเอาเล็บเอาฟันมาแยกเป็นกล่องๆไว้เหมือนกับเวลาที่พ่อค้าหมูพ่อค้าเนื้อเขาชำแหละตัวเอหมูหรือตัววัวแล้วเอาไปขายที่ตลาด เราจะมองไม่เห็นตัววัวตัวหมูแล้วจะเห็นแต่เนื้อหมูเห็นแต่กระดูกหมูเห็นแต่ขาหมูชั้นใดถ้าเราแยกแยะอาการสามสิบสองของร่างกายนี้แยกออกมาเป็นกองกองไ เ, เราก็จะมองไม่เห็นตัวเราของเราจะเห็นเพียงแต่อาการสามสิบสองเท่านั้นเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ตัวเราของเรา เราไปหลงไปยึดไปติดเองไปคิดเองว่ามันเป็นตัวเราของเราแท้จริงมันเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นต้นเท่านั้นเราคือใจไปโง่เง่ า, ง า, งาเบาปัญญาไปหลงไปคิดแล้วก็ไปยึดไปติดแล้วก็ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองแล้วเราก็ต้องพิจารณาอาการสามสิบสองนี้ว่าในที่สุดมันก็ต้องแปลงสภาพไป เวลาที่ร่างกายนี้หยุดหายใจแล้วมันก็จะแปลงสภาพไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นนมเป็นไฟไปน้ำที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกมานมที่มีอยู่ในร่างกายก็จะละเหยออกมาไฟที่มีอยู่ในร่างกายก็จะหายไปเหลืออยู่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งที่ต่อไปก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินไป นี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นเทียนธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกตัวที่เป็นญาติเป็นสามีเป็นบิดามารดานี้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่ไม่ตายอยู่ที่ใจที่จะต้อง เดินทางต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งได้ต่อไปก็เหมือนกับร่างกายก็เป็นเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งที่เราอาศัยอยู่ไปวันวันหนึ่งพอร่างพอร่างกายนี้หมดสภาพก็เหมือนบ้านหมดสภาพอยู่ไม่ได้แล้วหลังคาก็รั่วเสาก็จะลม้มอยู่ไปเดี๋ยวก็จะถูก สาวถูกหลังคาถูกกระเบื้องหล่นทับตายได้ก็ถึงเวลาที่จะต้องย้ายออกจากบ้านนั้นเพื่อไปหาบ้านใหม่ต่อไปบ้านใหม่นี้ก็มีหลายแบบบ้านใหม่แบบเดิมก็มีก็คือไปหาร่างกายอันใหม่บ้านใหม่แบบที่ไม่ใช่ต้องไม่ไม่ใช่เป็นเหมือนแบบเดิมก็มีก็คือความสงบนความสงบท่านต่างๆก็จะเป็น บ้านในระดับขั้นต่างๆสงบระดับเทพก็เป็นเทพไปสงบระดับพรมก็เป็นพรมไปสงบแบบพันิพานก็เป็นพันิพันธิพา น, านไปนี่คือบ้านที่เราจะย้ายไปต่อไปขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราว่าเราสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราปฏิบัติได้ขั้น รักษาศีลขั้นทำทานทำทานรักษาศีลห้าเราก็จะได้บ้านระดับเทศถ้าเรารักษาศีลแปดได้เรานั่งสมาธิได้เราก็จะได้บ้านระดับพรมถ้าเราเจริญปัญญาวิปัสนาเห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เราก็จะได้บ้านระดับของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นพระสกิดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอาหารหันต์ในที่สุดขั้นตะอาหานก็คือขั้นพระนิพพานที่จะเป็นบ้านที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมต่อไปนี่คือเรื่องของการที่เราจะมา สร้างความสุขให้กับใจมาดูแลใจมาอบรมรักษาใจเพื่อให้ใจนั้นผลิตแต่ความสุขหยุดผลิตความทุกข์ให้กับเราอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าใจที่ได้รับการอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้ใจที่ยังไม่ได้รับการอบรมนี้จะนำความทุกข์มาให้ และเครื่องมือที่เราจะใช้ในการอบรมใจให้นําความสุขมาให้แก่พวกเราก็คือการทําทานการรักษาศีลรักษาศีลห้าในเบื้องต้นแล้วก็ขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลแปดศีลสองร้อยยี่บเจ็ดศีลสามร้อยกว่าถ้าเรารักษาศีลระดับนี้ได้เราก็จะเข้าสู่การภาวนาได้ เข้าสู่การทำใจให้สงบเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงได้ความสุขที่จะเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปตลอดขั้นสมาธินี้ก็จะอยู่เพียงชั่วคราวอยู่ขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่รู้จักวิธีรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะจางหายไปได้ ถ้ามีวิรู้จักวิธีก็มีอยู่สองวิธีวิธีแรกวิธีก็คือเจริญสติต่อไปก็พอที่จะรักษาได้แต่เวลาใดที่ขี้เกียจไม่ได้เจริญสติเวลานั้นก็จะเกิดความเสื่อมของความสุขใจไปได้ถ้าอยากจะใช้วิธีที่ถาวรคือรักษาหนเดียวละหายไม่ต้องมารักษาบ่อยๆก็คือการใช้ปัญญา ต้องให้เห็นว่าความสงบนี้ที่เสื่อมไปก็เพราะความอยากนี้เองถ้าอยากจะหยุดความอยากก็ต้องให้เห็นไตรลัก เ, เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในสิ่งที่ใจไปอยากถ้าเห็นแล้วใจก็จะหยุดอยากได้พอหยุดอยากแล้วก็จะไม่มีความอยากมาทำลายความสงบที่ได้มาจากการเจริญสมาธิ ใจก็จะสงบไปตลอดนี่แหละคือเรื่องของการดูแลรักษาใจการเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราควรที่จะดูแลรักษาส่วนสิ่งอื่นๆเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่ลนรสโผฏฐัพพานี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรดูแลรักษา เป็นสิ่งที่เราควรที่จะปล่อยอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเพราะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะมีความทุกข์ที่รุนแรงตามมาต่อไปปล่อยเขาดีกว่าแล้วเข้ามาหาความสุขภายในใจของเราความสุขที่เราสามารถควบคุมได้สั่งได้อยากจะให้สงบเมื่อไหร่ก็สั่งได้ ถ้าเราปฏิบัติอย่างชำนิชำนาญถ้าเราจะรอนสติอย่างเข้มข้นตลอดเวลาตัวสตินี่แหละที่จะเป็นตัวที่ทําให้ใจในสงบในเบื้องต้นแล้วตัวปัญญาก็จะเป็นตัวที่จะทําให้ใจสงบอย่างท้าววอนตามลําดับต่อไป <c oughs> ก็ขอให้พวกเราจงหันหน้าหัน <c oughs> ความสนใจของพวกเราให้มาสู่การ ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าที่จะไปหลงไหลกับลาบยศสารเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขให้หันมาดําเนินตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่เป็นความทุกข์ในเบื้องต้นที่ต้องฟันฝ่าต่อสู้กับข้าศึกศัตรูคือกิเลสตัณหา ที่จะคอยป้องกันที่จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการทำใจให้สงบในเบื้องต้นนี้จะทุกกับการที่จะเจริญสติเวลาไม่ได้เจริญสติกิเลสก็จะทำงานสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าสู้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ สตินี้ก็จะหยุดความอยากต่างๆได้ชั่วคราวแล้วพอหยุดได้แล้วก็ใช้ปัญญาหยุดอย่างถาวรต่อไปได้การปฏิบัติจริงต้องทุกข์ก่อนถึงจะสุขเป็นเหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลต้องฝาต้องผ่าตัดเวลาผ่าตัดมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาแต่เวลาแผลหายแล้วความเจ็บก็จะหายไป ถ้าไม่า่โาโรคภัยค่เจ็บก็จะไม่หายมันก็จะเป็นอยู่เรื่อยอันใดถ้าเราไม่ปล่อยวางความสุขทางลาบยศจะรสญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพเราก็จะต้องเจอความทุกข์ที่จะตามมาอยู่เรื่อยหลังจากที่เราได้เสพความสุขแล้วความทุกข์ก็จะตามมาแต่ถ้าเราไม่ต้องการเจอความทุกข์แบบนี้เราก็ต้องหยุด การเสกความสุขแบบนี้แล้วมาเสกความสุขแบบที่เพื่อเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เสกกันแต่ก็ต้องทุกข์ในเบื้องต้นเพราะจะต้องสละความสุขทางลาบยศจราเสิญทางตาหูจมูกลล่นกายไปต้องไปปรีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวแล้วก็เจริญสติควบคุมบังคับใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งที่ใจชอบคิด พอไปขัดใจเข้าใจมันก็สร้างความเครียดสร้างความหนุนหิตสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราจเจริญสติของเราไปเรื่อยๆพอใจไม่ไปคิดไปปรุงแล้วเดี๋ยวใจก็จะว่างใจเย็นจะสบายนั้นความสําคัญอยู่ที่การจเจริญสติที่เราจะต้องทําตลอดเวลาเพราะกิเลสตัณหามันทํางานตลอดเวลาเช่นเดียวกัน เกิดขึ้นมานี้ถ้าเราไม่ควบคุมมันมันก็จะผลิตความทุกข์ให้กับเราผลิตความอยากให้กับเราถ้าเรามีสติมีพุทธโธมันเราก็จะหยุดการทํางานของกิเลสตัญหาได้พอมันไม่ผลิตความอยากความทุกข์ก็จะไม่เกิด น, นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามทําอยู่เรื่อยๆบางทีเราอาจจะเผลอบ้างบางทีเราอาจจะทุกข์บ้างแต่พอเราทุกข์บ้า ขอให้เรานึกขึงคำว่าสติขึ้นมาทันทีว่าอตอนนี้เราไม่ได้กินยาแล้วโรคเริ่มกำเริบแล้วความทุกข์เริ่มกลับมาแล้วต้องกลับมากินยาแล้วต้องกลับมาเจริญสติแล้วนี่คือการปฏิบัติที่จะเป็นความยากลําบากในเบื้องต้นแต่จะเป็นความสบายในเบื้องในบ้านปลายดีกว่าความสุขทางร่างกายทางราบยศจารเสญ ที่เป็นความสุขในเบื้องต้นแต่จะเป็นความทุกข์ในบ้านปลายเป็นเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่า ง, างๆได้แล้วเพราะร่างกายหมดสภาพไปแล้วก็ขอให้เราพิจารณาดูว่าเราควรที่จะเลือกทางไหนเดินพระพุทธเจ้าทรงเลือกทางใจตอนนี้พวกเรายังเดินในทางร่างกายอยู่ ถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเดินตามที่พุทธเจ้าได้เดินไปถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนแบบที่เราเป็นอยู่เราก็เดินไปในทางที่เรากำลังเดินอยู่ต่อไปไม่มีใครมาบังคับเราได้เราต้องเป็นผู้บังคับเราเองและผู้ที่จะทำให้เราบังคับเราได้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั่นเอง ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิเราจะเห็นว่าทางเดินของพระพุทเจ้าเท่านั้นเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำพาให้เราไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่จะนำพาเราออกจากความทุกข์ที่เรากำเมืองมีอยู่กันในขณะนี้ก็ขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจให้ท่านได้นำเอาไปเ พ, พิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเววาหาปุราปาริปุเรติสากลรังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปกาปติ อิทิตังปัตติตังตุมหังคิพะเมวะสะมิจโตสะเภปุเรนโสังกะปาจันโทปนาระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทิคายุโกภวะ อาพิวาธนาศีลิะมิจังวุธาปจายโนจตาโรโธมรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังท่านที่ยังไม่ได้ถวายของและยังไม่ได้รับหนังสือถ้าต้องการก็เชิญเข้ามาได้ใครอยากจะถามปัญหาธรรมะก็ขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟน ไปเป็นคําถามจากทางอินเทอร์เนต็ตนะคะข้อที่หนึ่งการสละทรัพย์เพื่อสร้างเจดีสร้างสิ่งต่างๆเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นการสร้างบุญบารมีใช่ไหมคะสมควรหรือเหมาะสมอย่างไรสําหรับชาวพุทธคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการบําเพ็ญการปฏิบัติที่มีอยู่สามขั้นที่เรียกว่าทานทานที่เราทํา คือเราสละทรัพย์เพื่อที่จะได้สร้างท้าวลวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์เป็นศาลาหรือเป็นปัจจัยสี่ให้กับพระภิกษุสงฆ์นี้ก็เรียกว่าเป็นทานอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าวัตถุทานทานนี้มีอยู่สามชนิดด้วยกันคือวัตถุทานวิทยาทานและธรรมทานวัตถุก็คือ ให้เข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆวิทยาทานก็ให้วิชาความรู้ธรรมทานก็คือให้ธรรมะการให้ทั้งสามนี้การให้ด้วยธรรมการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าธรรมะนี้มีคุณค่าถ้าเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าวัตถุทานนี้ก็เป็นเหมือนกับ เ, เหมือนกับเอเงินก็นแล้วกันส่วน วิทยาทานนี่ก็เหมือนกับทองส่วนธรรมทานนี้ก็เป็นเหมือนกับเพชรมีคุณค่าที่ต่างกันไปเป็นหนึ่งในบารมีสิบก็คือทานบารมีเป็นขั้นต้นเป็นก้าบันไดขั้นต้นที่จะพาให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองคือสีบารมีในขัมมะบารมีเข้าสู่ ศีลเข้าสู่ภาวนาภาวนาก็จะมีเนคข ม, มะบาลมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเป็นเป็นขั้นที่สาคัญขั้นที่จำเป็นแต่การให้นี้ต้องให้อย่างสุดๆถึงจะเรียกว่าให้อย่างแท้จริงคือให้อย่างพระพุทธเจ้าให้อย่างพระเวชสันดร มีมากเท่าไหร่ก็ไม่หวงไม่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นไม่หวังพึ่งเงินทองวัตถุเข้าของเป็นที่พึ่งทางใจหวังพึ่งการบำเพ็ญการปฏิบัติธรรมเป็นที่พึ่งทางใจถ้ายังหวงยังหวงยังต้องดูแลรักษายังต้องหาเงินทองมาอยู่เรื่อย ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญภาวนานั่นเองผู้ที่ต้องการบําเพ็ญภาวนาจึงต้องสละเรื่องของทรัพย์สินทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นการหาก็ดีการดูแลรักษาก็ดีการใช้ก็ดีก็ตัดไปเลยแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชเอาเพียงแต่อาหารอยู่ไปวันต่อวัน ที่อยู่อาศัยก็ตามมีตามเกิดเครือบนุ่งห่มก็ตามที่จะหาได้ยารักษาโรค ก, ก็เช่นเดียวกันนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่ต้องการไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจำเป็นจะต้องสละสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนกับพันธนาการที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติทำขั้นสูงได้ ข้อที่สองควรจะมีความศรัท ธ, ธาเชื่อได้ไหมว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในวงเล็บอ้างว่ามาจากบังคลาเทศและถ้าไม่เชื่อแล้วจะเป็นการไม่แสดงความเคารพต่อองค์พระศาสนาเป็นบาปไหมคะที่สงสัยเพราะเหมือนเป็นการสลาดซับสร้างอย่างนางวิสาขาแต่ก็ติดเหมือนเป็นการสร้างแต่เปลือกภายนอก ให้คนกราบไหว้กันไปเท่านั้นแค่สวยงามและยิ่งใหญ่ค่ะคือพระธาตุที่ <c oughs> ที่เขาเอามาบรรจุกันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะไปสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็สเสด็จ ด, ดับขันมานานถึงสองพันห้าร้อยกว่าปีพระธาตุที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านี้จะตกไปอยู่ที่ไหนกับใคร ก็ไม่มีใครมาติดตามไม่มีนักสืบไม่มีเครื่องอะไรต่างๆที่จะมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าหรือไม่ในเมื่อเราไม่สามารถที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าอย่าไปเชื่อแต่ก็อย่าไปปฏิเสธเพราะว่าเราไม่รู้จริงถ้าเราไปปฏิเสธกับของที่เป็นจริงมันก็เราก็ผิด ถ้าเราไปเชื่อในของที่มันไม่เป็นของจริงเราก็ผิดเองดังนั้นเมื่อเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปเชื่อหรือไปปฏิเสธแต่ให้เราเชื่อหลักว่าพระธาตุนี้มีจริงพระธาตุนี้เป็นกระดูกเป็นอัฐิของผู้ที่ได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิกขานแล้วเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วการสร้างเจดีย์นี้ก็เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติ หรือเป็นอนุสณเป็นปูชนียสถานเพื่อที่จะให้เป็นการสั่งสอนอนุชนนุ่นหนังที่จะตามมาต่อไปเวลาที่เขากราบไหว้พระเจดีย์เขาอาจจะเกิดความสงสัยอยากจะรู้ก็อาจจะถามผู้ใหญ่ว่าพระเจดีย์นี้มีอะไรอยู่ถึงต้องมากราบก็จะได้รับความรู้ว่าเรากราบอธิษฐานของพระพุทธเจ้า คือครั้งหนึ่งนี้มีบุคคลวิเศษคือพระพุทธเจ้านี้ได้มาตัดสรู้ได้นําเอาความรู้ที่พวกเราไม่มีใครรู้มาก่อนมาสั่งสอนให้กับพวกเราผู้ใดที่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครที่จะให้ได้นอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็คือการได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดการได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อได้ศึกษาแล้วก็อาจจะเกิดความสนใจขึ้นมาว่าแล้วยังสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่าก็ศึกษาต่อไปก็รู้ว่าใครก็ตามถ้านำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติก็จะได้รับผลเช่นเดียวกัน เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกไม่เสื่อมไปตามวันตามเวลาไม่เหมือนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ผลิตขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดอายุหมดสภาพไปแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอายุมีประสิทธิภาพอย่างไรในสมัยพระพุทธกาลก็ยังมีประสิทธิภาพอยู่ในสมัยปัจจุบันเช่นเดียวกัน นี่คือเจตนารมณ์ของการาสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุบรรจุพระธาตุขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นเหมือนกับแหล่งศึกษาเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เวลาที่เราไปชมพิพิธภัณฑ์เราก็มักจะเห็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเห็นแล้วเราก็อาจจะเกิดความสนใจอยากจะรู้ว่ามาอย่างไรไปอย่างไรเราก็จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ เมื่อเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็จะได้เรียนรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ถ้าเราอยากจะไม่ให้เป็นอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เราก็จะได้ปฏิบัติไปอีกแนวทางหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการศึกษาเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี้จะสอนเราให้รู้ถึงการผิดพลาดของผู้ที่อยู่ในอดีต และการกระทําที่ถูกต้องของผู้ที่อยู่ในอดีตว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทําอย่างนี้แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้จาก ป, ป, ป, ป, ประสบการณ์ของผู้อื่นดีกว่าที่เราจะต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเราเองซึ่งมันอาจจะสายไปถ้ารู้ว่าการกระทําแบบนี้นําความทุกข์มาให้เราจะได้หลีกเลี่ยงเสียอย่าไปทํา ถ้ารู้ว่าการกระทําแบบนี้แล้วนําความสุขความเจริญมาให้เราจะได้ทําแต่สิ่งนี้นี่คือเรื่องของการสร้างอนุสรสถานบูชนิยสถานเพื่อเป็นแหล่งของการศึกษาให้ผู้ที่ไม่มีความรู้จะได้เกิดความรู้ขึ้นมาที่จะได้นําเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองดังนั้นพระธาตุที่บรรจุนี้จะเป็นของปอมของจริงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าเราเชื่อว่าเป็นของจริงก็ดีเราก็จะได้จะได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้แก่นุชนรุ่นหลังต่อไปเวลาเราพาลูกหลานไปกราบพระเจดีย์เดี๋ยวเขาก็อยาถามว่ากราบอะไรปัญหาก็คือคนพาไปกราบก็ไม่รู้เหมือนกันคนก็เลยกลายเป็นคนตาบอดพาคนตาบอดไปเพราะฉนผู้ใหญ่ต้องศึกษาก่อนต้องต้องอยากรู้ก่อน หรือถ้าลูกถามเด็กถามแล้วตอบไม่ได้ต้องรีบไปหาคำตอบไม่ใช่บอกว่าอย่าถามเลยยุ่งคำถามข้อต่อไปจากคุณแมนแผลตีตะถ้ากระผมอยากจะบวชซักหนึ่งเดือนกระผมจะต้องเตรียมอะไรไปด้วยบ้างครับก็เตรียมใจเนี่ยใจพร้อมแล้วทุกอย่างมันมาเอง ในเมืองพุทธนี่มีคนยินดีที่จะสนับสนุนทุกอย่างสมัย ท, ที่อาตมาไปบวชที่วัดบวรนี่ยมีคนมาถามเลยว่ามีเจ้าภาพหรือยังมีคนอยากจะเป็นเจ้าภาพบวชพระกันเยอะแยะไปหมดเฉนั้นขอให้ใจพร้อมทุกอย่างแล้วทุกอย่างมันจะมาเองาำถามข้อต่อไปจากคุณรัชนกไก่สี ปกติของพระปฏิบัติจะทราบการปฏิบัติตนต่อคารวาะแล้วควรจะทําอย่างไรให้คารวาะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการลบกวนพระสงฆ์หรือพระปฏิบัติเจ้าค่ะก็พระเป็นอาจารย์เนี่ยคาราวะาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ต้องสอนต้องบอกได้อย่างวันนี้ญาติโยมก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมพระก็สอนบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด ปัญหาอยู่ที่พระไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคำถามข้อต่อไปจากคุณเจนจิดิฉันปฏิบัติธรรมที่บ้านคนเดียวค่ะดูทีวีว่านั่งยังไงดิฉันก็รักษาศีลห้าด้วยแต่ก่อนนั่งได้แค่สิบนาทีตอนนี้นั่งได้ประมาณห้าสิบนาทีค่ะภาวนายุบหนอพองหนอ รู้สึกว่าใจไม่สงบค่ะทำยังไงดีคะเวลานั่งก็พยายามไม่ส่งจิตออกข้างนอกเลยค่ะแต่ก็มีมั่งเผลอไปหนูปฏิบัติถูกไหมคะอยากทราบว่านี่คือการปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะดิฉันพยายามกับไทยไปเรียนปฏิบัติธรรมค่ะถ้าได้กับสาธุที่เล่ามาก็ถูกครับ ที่จะไม่สงบก็เพราะว่าสติยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ยุบหนอพองเนออย่างต่อเนื่องยังยุบไปแล้วก็แวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ายังมีการแวบไปแวบมาอย่อย่างนี้นั่งไปนานเท่าไหร่จิตก็จะไม่สงบถ้าอยากจะให้จิตสงบนี้ต้องอยู่กับยุบหนอพองหนอเพียงอย่างเดียวหายใจเข้าพอหายใจเข้าไปพองขึ้นมาก็รู้ว่าพองหายใจออกไปยุบก็รู้ว่ายุบให้รู้แค่สองอย่างนี้ให้รู้ ให้รู้กับยุบกับพองนี้เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่สงบก็เพราะว่ายังไม่ได้อยู่กับยุบหนอพองหนออย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองก็ขอให้พยายามต่อทำต่อไปและวิธีที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกสติไว้ก่อนที่จะมานั่งยุบหนอพองหนอ่อฝึกตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลย เช่นใช้คำบริกรรมพุทธโธก็ได้ตื่นขึ้นมาก็ให้ท่องพุทธโธพุทธโธไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าจะยุบหนอพองหนอในเวลาที่เราทำอะไรต่างๆได้ก็ยุบหนอพองหนอไปด้วยก็ได้ให้มีสติอยู่กับเรื่องยุบหนอพองหนอเพียงอย่างเดียวถ้าดูยุบหนอพองหนอไม่ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆก็ให้ใช้พุทธโธแทนก็ได้หรือให้ดูกิจกรรมที่เรากาลังทาอยู่ก็ได้ ข้อสาคัญก็ออย่าให้ใจลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับยุบหนอพองหนอก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายก็ได้ถ้าเรามีสติแล้วเวลาเรามานั่งยุบหนอพองหนอนี้มันจะไม่ลอยไปมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจจะสงบลองทดลองดูรับรองได้ว่าถ้ามีสติก่อนที่มานั่งเวลานั่งนี้ใจจะสงบได้อย่างรวดเร็ว คำถามข้อต่อไปจากคุณมันธนาสีแก้วคือว่าในที่ทํางานเพื่อนเห็นลูกอัธิธาต์ของหลวงตามหาบัวลงในเฟซบุ๊กแล้วเขาก็บอกว่าเกินจริงไม่น่าเชื่อถือตอนนั้นที่เราได้ยินแล้วรู้สึกโกรธมากแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรนั่งฟังเฉยๆก็เลยอยากถามว่าเพื่อนคนนั้นจะบาปไหมคะที่พูดออกไปแบบนั้น และตัวเราจะบาปไหมคะที่โกรธเขาที่พูดออกไปแบบนั้นเพราะเป็นสิ่งที่เราเคารพกราบไหว้ทุกคืนเป็นที่พึ่งทางใจของเราค่ะก็มันเป็นเรื่องของนานาจิตต่างนเรื่องของความเชื่อไม่เชื่อซึ่งไม่ถือว่าเป็นบาปเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นกุศลถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นกุศลแล้วเราไม่เชื่อเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นกุศล แต่ถ้าเราเชื่อเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้น้อมเอาอัตถิของท่านมาเป็นการเจริญสติเป็นการเจริญปัญญาต่อไปได้เช <Okay. S 1> ่นเราพิจารณาว่าทำไมอัตถิของท่านถึงกลายเป็นพระาธาตุทำไมอัตถิของคนอื่นจึงไม่กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาเราก็จะค้นหาคำตอบเราก็จะได้ทราบว่าจิตของผู้ที่บอยสุดที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี้ จาฟ อ, อกร่างกายฟ อ, อกฟ อ, อกธาตุฟ อ, อกกระดูกให้กลายเป็นธาตุได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้นั้นท่านได้เป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านได้ปฏิบัติชําระจิตของท่านจนสะอาดบริสุทธิ์ท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมันจะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นมาว่าเมื่อท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเพราะท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรา กินข้าวเหมือนเราท่านกินข้าวเราก็กินข้าวท่า น, นดื่มน้ําเราก็ดื่มน้ําท่านหายใจเราก็หายใจท่านทําได้เราก็ต้องทําได้ถ้าคิดไปในทางกุศลมันก็จะได้ประโยชน์จะทําให้เราเกิดฉันทะวิริยะที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนแนละปฏิบัติพระธรรมคาสอนตามแบบที่ท่านที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุมาแล้วคือเราจะได้ ดับความลังเลสงสัยว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ยังมีผลอยู่หรือเปล่าผู้ปฏิบัติยังไปถึงพระนิพพานได้หรือเปล่ามีพระธาตุของครูบาอาจารย์นี้มายืนยันให้กับเราแล้วว่าไปถึงได้แน่อย่างแน่นอนอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นนี่คือการมองอะไรก็ตามขอให้เรามองเพื่อให้เกิดเป็นกุศลขึ้นมาให้เกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมา อย่าไปมองเพื่อที่จะทำให้เกิดอากุศลขึ้นมาถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ควรจะลบหลู่เพราะมันจะไปทำให้ผู้อื่นเข า, เ, าเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราก็ได้ใครเขาพูดอะไรถ้าเราไม่เชื่อเราก็เฉยเฉยไปไม่ต้องไปเถียงไปค้านความเชื่อของผู้อื่นเขา คำถามข้อต่อไปจากคุณเกศรินโอวาดวันนสกุลนั่งสมาธิกำหนดพุทโธแต่ใจไม่โลง่งบางครั้งมีอาการเกร็งตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงปลายเท้าจะต้องแก้ไขอย่างไรคะก็ต้องพยายามพุทโธให้มันต่อเนื่องใหม่ๆนี่กิเลสมันจะต่อต้านมันจะสร้างอาการต่างๆขึ้นมาขัดขวางทำให้เราไม่อยากจะพุทโธ พอเหมือนกับเวลาที่เราถูกจับไปขังอยู่ในห้องให้นั่งอยู่เฉยในห้องนี้เราก็จะเครียดขึ้นมาแล้วทั้งๆ ท, ที่ไม่มีอะไรมาทำให้ร่างกายเราต้องเจ็บต้องปวดเลยแต่ใจของเรามันเครียดเพราะใจของเราชอบอิรอสระภาพชอบคิดอะไรตามใจชอบทำอะไรตามใจตัวเองพอถูกบังคับไม่ให้คิดให้คิดแต่เรื่องพุโทโธมันก็เกิดอาการตึงเครียดขึ้นมาเท่านั้นเอง ถ้าปฏิบัติแล้วอย่าไปสนใจก็ให้เราสนใจอยู่กับการบริกรรมพุโทโธไปถ้าบริกรรมช้าก็บริกรรมให้เร็วขึ้นก็ได้หรือถ้าพุโทโธมันยังเครียดอยู่ก็ลองเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ไปก่อนเพราะบางทีจิตของเรานี่มันต่อต้านแรงเราก็ต้องเหมือนกับจับไปขังไว้ในตู้นี้มันแคบมันก็จะรู้สึกเครียดมากถ้าตู้มันแคบ ม, มากพุโทโธมันเครียดก็ออกมาใส่ จะเอาจับออกมาอยู่ในห้องที่กว้างขึ้นเพื่อจะได้เดินเหินได้ก็แทนที่จะพุโทโธก็มาสวดมนต์แทนก็ได้ใจมันก็จะได้มีการคิดยาวขึ้นหน่อยคือทนทีคิดแต่คำว่าพุโทโธก็ได้คิดบทสวดมนต์ถ้าคิดบทสวดมนต์นะมันก็ยังตึงยังเครียดอยู่ก็ลองเปิดธรรมะฟังฟังเทศฟังธรรมไปก่อนคนบางคนก็ได้ประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรม เพราะเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธินั่งไม่ได้พุทโธไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้แต่พอฟังธรรมแล้วฟังแล้วสบายฟังแล้วเพลินได้คิดตามไปด้วยใจก็สงบได้แต่มันจะสงบสู้กับการพุทโธไม่ได้แต่มันก็เป็นความสงบเบื้องต้นที่จะทำให้เราเข้าสู่การบริกรรมพุทโธได้ต่อไป เช่นหลังจากที่เราฟังทำเสร็จแล้วใจเราเย็ยนขึ้นเราก็ลองบริกรรมพุทธโธต่อไปดูหรือไม่ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปซึ่งถ้าใจเริ่มสงบแล้วการดูลมหรือการพุทธโธก็จะไม่เกิดอาการตื่นเครียดขึ้นมาคาถามข้อต่อไปจากคุณสารเปาคุณหมิงจิตหลอกเราขณะเราทาสมาธิคืออะไรเจ้าคะ ก็อย่างที่พูดเนี่ยมันหลอกเรามันสร้างปัญหาต่างๆให้กับเราเวลาเรานั่งสมาธิปัญหาร้อยแปดก็มาคันตรงนั้นบัางคันตรงนี้บ้างอยากจะเกินน้ำลายบ้างนั่งไปแล้วรู้สึกตัวพองขึ้นมาบ้างนั่งขึ้นมาแล้วตัวขดลงไปบ้างนั่งขึ้นมาแล้วเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวาร้อยแปดพันประการและนี่แหละจิตมันสร้างปัญหาขึ้นมาข้อสําคัญเราอย่าไปสนใจมันเราให้สนใจอยู่กับกรรมบริกรรมของเรา เดิมงานที่เรากำลังให้จิตทำอยู่ถ้าบริกรรก็สนใจกับการบริกรรถ้าฟังเทศก็สนใจกับการฟังเทศถ้าดูลมก็ให้สนใจกับการดูลมเท่านั้นแหละแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปคำถามข้อต่อไปจากคุณปุณณะมานกกาละเทวินถ้ามีคนเข้าใจเราผิดแต่ต้องนั่งมองหน้ากันทุกวันเราครัว เราควรเข้าไปอธิบายให้เขาฟังเหตุผลของเราดีไหมหมายเหตุเราเคยเปิดใจคุยแล้วหนึ่งครั้งแต่เขามีทิฐิมานะเกิดจากมีคนยุแย่และเกิดความกลัวว่าเขาต้องยอมตามเราถ้าเราคุยกันได้ก็คุยกันไปถ้าคุยไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ไป คำถามข้อต่อไปจากคุณนฤพลมีสองข้อนะคะแบ่งถามทีละข้อข้อที่หนึ่งผมอายุเกือบ5้าสิบปีภาวนาพุโทโธโดยเดินจงกรมเป็นหลักมาหกปีในชีวิตประจำวันจะพยายามรักษาสติควบคุมความคิดให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธเวลาเดินจงกรมมีอาการปิติซาบซ่านขนลุกชัน บางครั้งเวลาเริ่มภาวนาสักช่วงสิบนาทีแรกแล้วก็หายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคืบหน้าแบบนี้มาหลายปีแล้วมีแต่ความสงบในใจกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับถ้าอยากจะจ <c oughs> อยากจะเจริญก้าวหน้าก่อนนี้ก็ต้องไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไปปฏิบัติทั้งวันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับ ขึ้นอยู่ที่ปริมาณของการปฏิบัติเหมือนกับโรงงานถ้าเปิดโรงงานทั้งวันทั้งคืนสินค้าก็จะผลิตได้มากถ้าเปิดโรงงานเพียงสองชั่วโมงสินค้าก็จะได้ไม่มากเพราะฉะนั้นผลมันอยู่ที่เหตุเหตุก็คือการปฏิบัติงั้นถ้าอยากจะได้เหตุที่มากขึ้นดีขึ้นก็ต้องเพิ่มเหตุคือการปฏิบัติให้มีมากขึ้นและก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้อต่อการปฏิบัติไม่ใช่อยู่กับสภาพที่มันทวงการปฏิบัติเนี่ยสถานที่ของการปฏิบัติก็มีส่วนที่ทำให้เกิดผลมากผลน้อยถ้าเป็นสปายะก็จะดีกว่าที่ไม่ใช่เป็นสปายะ mm. ก็คือที่ที่สงบที่สงดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆจากบุคคลจากสิ่งต่างๆ ก็จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้มากกว่าได้ดี ก, กว่าได้นานกว่าดังนั้นอยู่ที่การปฏิบัติของเราเกี่ยวที่สถานที่ด้วยคําถามข้อสุดท้ายจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะมีโอกาสที่จะได้เลือกย้ายบริษัทที่ทํางานและมีเงินเดือนสูงขึ้นเกือบเท่าตัวแต่คาดว่างานใหม่คงมีภาระมากขึ้นเวลาภาวนาน้อยลง เทียบกับอยู่ที่เดิมซึ่งเงินเดือนพออยู่ได้ตามอัตภาพแต่ก็มีโลกธรรมฝ่ายวิภาวะตันหามากระทบมากพอควรอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์สําหรับหลักคิดในการตัดสินใจด้วยครับหลวงปู่มั่นท่าน เ, เคยสอนพระเวลาที่จะมาขอลาท่านไปไปภาวนาว่าไปดีหรือไม่ดีหลวงปู่มั่นท่านก็บอกว่าถ้าไปดีก็อยู่ก็ไป ดีไปดีกว่าถ้าอยู่แล้วดีกว่าไปก็อยู่ดีกว่าถ้าไปก็ดีอยู่ก็ดีไปก็ดีอยู่ก็ดีดด <c oughs> ต้องเลือกเอาอุตคำตอบจากทางอินเทอร์เนต็ตแล้วค่ะแต่มีเด็กหนุนมาแล้วถาเลยพระอาจารย์ครับทําไมเวลาพุดโธพุดโธแล้วทําไมติดชอบ นี่ไปเที่ยวคิดนูน่นคิดนี่ครับเออก็เหมือนกับเวลาเราจับม้ามาผูกไว้แต่เราเอาเชือกที่มันไม่แข็งแรงเช่นเอาเชือกกล้วยมาอย่าเงี้ยพอเราผูกมันไว้ปป๊บเดียวมันกต็ตกปป๊บเชือกก็ขาดใจของเราก็เหมือนกันตอนนี้สติของเราเป็นเหมือนเชือกกล้วยพอดึงใจมาผูกไว้กับพุโทโธพุโทโธได้สองคำมันกต็ตกปป๊บมันก็ขาดมันก็เลยลอยไปที่อื่น หนูต้องไปหาลวดมาผูกมัยนะลวดก็คือหนูต้องฝึกสติทั้งวันไปก่อนต้องหัดท่องพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วต่อไปสติจะเป็นเหมือนลวดมันจะสามารถดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาได้เข้าใจไหมอ่ามีอีกไหมก็เวลาเรียนหนังสือทําไมเวลาคิดหนังสืออยู่แล้วทําไมก็ ชอบมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกครับก็นั่นแหละเราไม่มีสติสมาธิกับการเรียนเนไม่อยู่กับหนังสือใจเราชอบไปคิดถึงขนมนมเนยมันถึงอ้วนแบบนี้ต้องฝึกสตินะหนูหัดท่องพุทโธไปทั้งทั้งวันดูหัดท่องพุทโธไปทั้งวันต่อไปจะมีสติแล้วต่อไปใจจะนิ่งใจจะอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ กำลังเรียนหนังสือกำลังดูหนังสือมันก็จะไม่มีเรื่องอย่างอื่นเข้ า, าขมารบกวนใจขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติออแล้วก็ได้อิทิบาทสี่นะครับออสามารถมีอายุยืนไปถึงร้อยยี่สิบปีเนี่ยนะครับขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์ด้วยครับก็จิตมีพลังอิทิบาทสี่นี่ก็เป็นเหมือนน้ำมันของจิตเนี่ย ถ้าจิตมีพลังจิตก็สามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ยืนยาวนานออกไปคนที่ไม่มีกำลังจิตกำลังใจยอยู่นี่ถึงแม่ร่างกายยังดีอยู่ก็ตายได้ไม่สนใจที่จะกินอาหารให้ถูกต้องไม่สนใจที่จะออกกำลังกายไม่สนใจที่จะพักผ่อนหลับนอนปล่อยให้เจ็บขินฟุกสร้างคิดแบบเขาเรียกอะไรนะครับจิดซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ ก็ร่างกายก็จะถูกกระทบกระเทือนจากภาวะของจิตก็จะทําให้ร่างกายตายไปได้อย่างรวดเร็วอย่างคนที่สูญเสียคนที่รักไปเช่นสามีภรรยาเคยอยู่ร่วมกันรักกันมาตลอดพอคนใดคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็หมดกําลังใจหมดอวนอิฐที่บาศีไม่มีกําลังใจที่จะอยู่ต่อไปปล่อยประละเลยไม่ดูแลร่างกาย เวลากินก็ไม่กินถ้าไม่อยากกินก็ไม่กินเวลานอนถ้าไม่อยากนอนก็ไม่นอนอะไรทำนองนี้มันก็จะทำให้การดูแลรักษาร่างกายมันขาดไปร่างกายเมื่อขาดการดูแลรักษาที่ถูกต้องมันก็จะทำให้ร่างกายเสือ่อมชุดโทมลงไปได้อย่างรวดเร็วก็เหมือนกับรถยนต์อะถ้าเราใช้ด้วยความถูกต้องดูแลรักษาอย่างถูกต้องใช้แบบถูกต้อง มันก็จะมีอายุยืนยาวนานกว่าการใช้รถยนต์แบบที่ไม่ถูกต้องร่างกายก็เป็นแบบนี้ความว่าถึงแม้ว่าออคนที่ดูแลร่างกายดีนะแต่ไม่ดูแลจิตใจก็ไม่สามารถที่จะอยู่อายุยืนได้ขนาดนั้นถูกต้องไหมครับพอาจารย์หมายความว่าจิตใจต้องดีถึงจะดูแลร่างกายได้ ถ้าจิตใจไม่ดีจิตใจท้อแท้เบื่อนหน่ายไม่มีกาลังจิตกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปอย่างนี้ก็มันก็จะไม่ดูแลร่างกายนั้นการที่จะดูแลร่างกายดีได้จิตใจต้องดีจิตใจต้องมีอที่บาสีอย่างที่เรานิยมนินมนุูขาจารว่าต้องขอให้ท่านอยู่เพราะถ้าเราไม่นิมนต์ท่านเดี๋ยวท่านคิดว่ากูอยู่ไปก็ไม่มีใครสนใจใช่ <c oughs> <c oughs> อยู่ไปก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครก็ไม่รู้อยู่ไปทำไมตัวท่านเองท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านก็พอแล้วแต่ที่อยู่นี่ก็อยู่เพื่อลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์กลับไม่ไม่เยื่อใยไม่ไม่สนใจอยู่ก็อยู่ไปไม่อยู่ก็ไม่อยู่ถ้าอย่างนี้ท่านก็ไม่อยากจะอยู่ท่านก็ตรงดีกว่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกพระอนนท์แล้ววาอนนท์เราบอกเธอต้องกี่ครั้งแล้วว่าถ้าอยากจะให้เราอยู่เนี่ยเธอต้องนิมนต์เราก่อน เราต้องแสดงความยินดีอยากจะให้เราอยู่มันจะทำให้เรามีเหตุที่จะทำให้เราอยากจะอยู่ต่อไปเพราะว่าถ้าเราจะอยู่นี้เธอต้องเป็นคนที่รับผิดชอบช่วยเหลือเราเพราะสังขารร่างกายเราแก่ลงไปลงไปเราก็จะดูแลเองไม่ได้ก็ต้องมีเธอนี่แหละที่เธออาจจะอยากจะปีกวิเวกไปปฏิบัติเธอก็อาจจะไปไม่ได้เธอจึงไม่ได้นิมนต์เราไว พอเราพูดเราบอกต้องหลายผลนะว่าถ้าอยากจะให้เราอยู่เนี่ยเราอยู่ได้ถ้าเราถ้าเรามีเหตุให้เราอยู่เราอยู่ได้แต่ไม่มีเหตุนี่ถ้าอานนุ์ไม่เคยนิมนต์ขอให้พระพุทธเจ้าอยู่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินพระทัยว่าเอาแค่แปดสิบก็พอแต่ถ้าพระอานนุนนิมนต์ให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆท่านก็อาจจะอยู่ได้ถึงร้อยยี่สิบ นี่คือเรื่องของอิทธิบาสีถ้าพระพุทธเจ้ามีแต่จะใช้มันหรือไม่ใช้มันท่านี้เมื่อไม่มีเหตุที่จะให้ท่านต้องใช้ท่านก็เลยไม่ใช้ท่านก็บอกไปดีกว่าสาธุครับพระอาจารย์ครับกลาวธรรมธิการพระอาจารย์อย่างสูงครับมีคําถามอยู่นะครับเป็นขออนาตว่าเป็นสิ่งสมมตินะครับ พาะมีเพื่อนกัลยาณิลภิตนั้นอยากจะรู้มากนะฮะฝากผมมาถามหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่กล้าถามนะครับแต่ขอว่าเป็นเรื่องสมมุตินะครับคือมีครูบาอาจารย์หรื อ, อพระนะครับกัลยาณีบอกว่าเคารพนับถือมากแต่มาลู่ทีังว่าเป็นปราชิกนะครับแต่ก็ยังไม่ราศิกขาราเพศยังมี พัญญาและบุตรอยู่นะครับแต่การาสั่งสอนอบรมนั้นสอนดีมากอย่างนี้จะถามว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์นั้นและอุปสมบทนะอคุณบุตรนั้นองค์ที่บุตรนั้นจะเป็นพระหรือไม่ครับเพื่อาจารย์สิ่งสมมตินะครับขอ ข, อขอ้ออาจริงสมมุติผมไม่เข้าใจฝากมาถามหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่กล้าถามนะครับ ถ้าท่านยังเป็นพระอยู่การทํากิจกรรมของพระก็ยังถือว่ายังยังเป็นอยู่หมายถึงว่าแต่แต่รู้ว่าเขาต้องปราชิตนะฮะหมาย<ต>ถึงว่ามีบุตรเพราะว่า巴拉ชิตมันก็ต้องอยู่ที่ว่าต้องมีการตัดสินกันนะครับต้อการขึ้นศาลของสงศ์ถ้าเราสงสัยว่าลาูกพระรูปนี้เป็นปาราชิตเราก็ต้องยืนเรื่องไปให้แก่เจ้าอาว่า เจ้าวาดก็จะต้องยื่นเรื่องขึ้นไปสู่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอําเภอตามลําดับเพื่อที่ได้ส่งคณะสงฆ์ตั้งคณะสงฆ์เข้ามาพิสูจน์ว่าตรราชชิกหรือเปล่าในขณะที่ยังพิสูจน์อยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านทําอยู่นี้ก็ยังถือว่าเป็นกิจกรรมของสงฆ์อยู่ครับคืออย่างนี้นะครับหลวงพ่อผมกับญาติตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าบุคคลนั้น พระสงฆ์องค์เล่นคดีนะครับที่เป็นประราชิกรู้ตัวอยู่นะครับแต่ไม่มีการตัดสินของพระเอสงฆ์คณะเอจ้าคณะตำบลอะไรแล้วแต่นะครับแต่ตัวท่านเองรู้อยู่ว่าเป็นประราชิกนี้แต่ท่านยังอยู่นั้นแล้วก็ให้สินอย่างนี้ถือว่าคนผู้รับสินนั้นจะได้สินไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆนเขาปากมาถาม การให้ศีลนี้นไม่ได้เป็นการให้จากของพระไปสู่ของโยมเหมือนกับเอาเงินของพระไปให้โยมศีลนี้เป็นของใครของมันศีลเกิดจากการรักษาการให้ศีลของพระเป็นการสอนเท่านั้นเองเป็นการบอกให้รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างครับเราองค์ที่ที่ต้องประราชิตรู้อยู่ว่าเป็นประราชิตด้ายยังอยู่นะครับพุทธพ่อ หมายถึงว่าท่านรู้อยู่แต่ท่านท่านก็ยังไม่ไปอ่ะนะครับก็ท่านก็เป็นคนที่แบบว่าต้นตานด้วนไงคือจะไม่มีความเจริญในทางาศาสนาได้ไปเถอะก็แลอานิสงส์ของบุคคลที่บุตบุญด้วยจะได้มากได้น้อยยังไงครับหลวงพอ่อจะกับม้ายังได้เลยทําไปทํากับคนยัไม่ได้เนี่ยครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วท่านไปทํากิจกรรมกับหมู่สงฆ์นะครับพก็ยังถือว่าท่านเป็นสงฆ์อยู่เพราะยังไม่มีการตัดสินไม่มีการชี้นะครับคือ ย, ยังไม่มีการตัดสินนะครับก็เหมือนยมถูกตำํำรวจจับกะยังไม่ได้ตัดสินโทษโยมก็ยังไม่ถือว่าผิดใช่ไหมครับจนกว่าจะได้รับการตัดสินว่าผิดแล้วถึงจะได้รับการลงโทษต่อไปฉะนั้นผู้คนที่ไปทําก็ไม่ต้องมาสงสัยนะครับอเพราะว่าถือว่า ท่านยังไม่ถูกตัดสินเพราะการกระทำของเรานี้ไม่ได้เกี่ยวกับบุญหรือบาปของท่านทํากับพระเจ้าฟังก็เหมือนกับทํากับคนที่ไม่เหมือนก็เหมือนกันอยู่ที่เราทําหรือไม่ทำเขาเขามีการตกเถียงว่าแล้วองค์ที่เป็นต้องปรลาทิกซีสมมุตินะครับแล้วเป็นครูบาอาจารย์แล้วอย่างที่ลงข่าวกันบ่อยแล้วก็ถึงว่าแล้วก็บวชลูกมาตั้งหลายคนก็ท่านกระวบอยู่บวชหลานมาต้องหายคนกระวบอยู่ และองค์ที่บวชนี่จะได้อานิสงฆ์ไหมคุณเขาก็สงสัยอย่างนี้นะครับการบวชไม่ได้อยู่ที่อยู่ที่ผู้ให้การการบวชการบวชเป็นเพียงแต่ขั้นตอนของการรับบุคคลจากเพศฆราวาสมาสู่การเป็นเพศเป็นทธะอา น, นิสงค์ของการบวชนี้ต้องเกิดจากการศึกษาและการปฏิบัติถ้าบวชมาแล้วถูกต้องอย่างไรถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมานั่งบุญบางสังสว่วนมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันครับ มีกี่นะคับศษาทุกครับหลวงพ่อครับถ้าไม่ได้บวชแต่ปฏิบัติธรรมได้ก็ดับบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ปฏิบัติอยู่ที่ศึกษาหรือไม่ศึกษาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติยสดงว่าแบบหมดแล้วมั้งเงียบไปนานนี่เสียงอันนี้มั้งเดินข้างล่างเลยอ๋ อ, อก็หมดทุกอย่างใช่ไหมพอดี เวลาก็หมดพอดี <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ